ถูกธรรมะมือนสาวอาจะพูดอะไรถู่ฟังสู่ความรู้ก่อยสู่จังเก่าจาง้ังจังเก่าวิเศษก็เก่าการทำกิจกปฏิบัติของเก่ามีอะไรกว่าใหม่ขึ้นขอต้นทางการปฏิบัติศาสนาคือการปฏิบัติจิตใจต้องตัวเอง เราจะจิตบาทที่อื่นในเรื่องของศาสนาอยู่คือกายรายใจศาสนาเรื่อนอื่นกป็นเรื่องเกีับศาสนาเราอยแจทเร่องศาสนาเป็นาสนาวัตถุอยู่ดูยุหานอยู่คืออาศัยอะไรสักอย่างนั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกังศาสนาคอยแจงเยื่องศาสนาจิใจก็คือกายรายใจใจอยู่แต่พึ่งใจแตวนักผน คนหมู่มันจะปฏิบัติตัวทั้งตัวในระดับวามสุขวามสบายการสุขวามสบายคือพวกเราทั้งหลายต่างการมังอยู่ที่ไหนโดยส่วนใหญ่ไหลจิตจิตตามเรื่องนอกเราจะอยากการสุขจะอยู่กับวัตถุจะอยู่กับกามอารมณ์จะอยู่กับอะไรต่ออะไรต่างๆภายนอกตะคุตเลื่อยไปต้นเรื่อยไปหาเรื่อยไป แต่ตนี้ในจิตใจศุสก็เว่งตามศุขจิขเฉ่งดังจะไปยังดันดลุดกลแหวนหาตลอดมาคือความหลงของใจโดยส่วนใหญ่หรือยอดเยี่ยมเข้ามาภายในคือปฏิบัติกายใจทั้งตนตามศุขของศาสนาจิตในศาสดาทรงสรลเสริคือวามสุข เกิดขึ้นจากการอบรมจิตใจจิตใจสี่เคยสายแสบแต่เพื่อนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆพยายามบังคับบัญชาสะกดลังับโดยการภาวนาทำจิตของตนไม่ให้ติดตามสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นบังคับบัญชาให้อยู่ในคำบริกรรมหรือเปลี่ยนุิยที่จะได้นะวัตถุอันหนึ่งอันใด ตึงจนอยู่ในเมื่อในตัวของเราเองส่วนผมขนแล้วฟันหนังเมื่อเอ็นกระดูกเป็นต้นที่จะให้จิตเกาะให้จิตอาศัยให้จิตได้รับการพักผ่อนแล้วจะสงบหนุ่มเป็นดวงทุกคนที่จะต้องสึกฝนอกรมนอกจากนั้นเมื่อจิตมีพื้นฐานตามสงบ ทางด้านจิตใจดีเด่นแล้วก็อาศัยปัญญาที่แจงนะตามความตป็นจริงของจริงเหือนั้นให้รู้ให้เห็นตามตป็นจริงของมันว่าจริงเัมนนั้นมันมีการเกิดขึ้นแลรปวนและตลและตกส ล, ล, ลายอย่างไรจิตใจที่ตัหลงติดห้องยึดถือไม่อยากจะให้มันแปรปรวนไม่อยากจะให้มันแตกสลายมัน เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราบังคับได้อย่างใจใหมายหรือไม่หนูเป็นเรื่องของปัญญาที่จะพิจารณาแก้ไข ใ, ใจของตัวที่จิตข้องเมืม่อทุกคนสนใจระพึ่งปฏิบัติภายในใจิตายวายาจใจท่งจทาาทท อ, องตนคนนั้นจะได้รับความสุขจากพระศาสนาคือการสอนสองมือพุกท่าจ้าความสุขนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ ต้องอธิบายถึงเพราะจะทราบจากการเห็นการเป็นของตนหากทุกคนสนใจใส่คิดติดตามเรื่องธรรมะที่จะนาใครในใจจิตใจแต่สายสึ่ ง, งปเปลืองไปเร่อภายนอกพยายามกลมครู่พยายามปัดพึ่ใจจะได้รับความสงบใจจะได้รับความเลื่อมลือนั้นอาจเป็นทำให้สายใจไม่เห็นไม่เป็น ถึงจะศึกษาเราเรียนรู้ฟังขนาดไหนใจใจท่องตัวนในเห็นในเป็นก็ไม่มีจนมีประโยชน์อะไรจากการศึกษามาจะพูดเตียงขนาดไหนมีวาทะผมคายขนาดไหนใจใจท่องเตือนไม่เป็นแต่ให้นั่นก็ไม่ได้จนประโยชน์อะไรก็โลกปวดหลงภายในบังคับบัญชารูเขียนอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังทําความเดือดร้อนซึ่งจน อยากอย <fifty S 1> <ham basically. S 2> um, ่างนั day, ้นอยากอย่างนี้หนึ่งเคยจิตหากอัดทําภายในแต่นั้นทำคําสอนของพุทธเจ้าจยงยกประมาภายในซึ่งทางวัดทางศาสนาหือว่าโอปัญญิโกน้อมประมาภายในดูกายใจทังตนฝนเสียงใดได้ยินจสีงใดจิตจุ่มอะไรเป็นเรื่องสืบความสืดจะนึกจิตน้อมประมาภายใน การเห็นนั้นเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ต่อตัวของตัวถ้าเห็นเป็นโทษก็ควรละเห็นเป็นประโยชน์ก็ควรเห็นควรบำเพ็ญในจิตใจอด่ารับความเยือกเย็นสงบเห็นเป็นเทษคือเห็นเป็นกิเลสตัณหามุ่งหน้าส่งออกไปทายนอกจิตในรูปคือเห็นคือตัวชอบ อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นความคิดความเห็นเกิดกําหนัดยินดีเกิดเชยมัวเมาลืมหลงเต่าฝันไปตามรูปที่ตัวเห็นนั่นคือเห็นคือเป็นคิดเป็นใครเสียใจของตัวถึงเกิดเินมัวเมาก็เพความลืมเหลงม่ใจเกิดเชยยินดีในต่างลาดหอนในใจ สิ่งเหล่านั้นเถิดเพลินไปสิ่งเหล่านั้นจะตคงเป็นคงวาอยู่ได้ตลอดไปจะมีการหลงไหลหรือเสียใจให้แก่ตัวเองภายหลังนี่คือความเห็นเรื่องของโลกความเห็นเรื่องของกิเลสแต่ความเห็นของธรรมตาขัน เ, เ, เห็นขนันต์ที่นี่ที่จะเรนาหาทางที่จะเน้สอนตัวเอง โดยอาจทำต่างๆก็เกิดปัญญาขึ้นาการเคียงตามันมีทุกคนหรือมันมีทุกคนจีบควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้แต่เทราว่าเราไม่ได้รักษาไม่ได้พิจารณาในทางอาจทำยิรร่งเกิดการลุ่มหลงเพิดเพลินสิงได้ที่เราเพิดเพลนลุ่มหลงยึดถือสิ่งนั้นเนี่ยจะให้ทุกแก่ใจของตนยิ่ง ยึดถือมากเท่าไรยิ่งรักให้ตรงนวลเท่าไรสิ่งนั้นจะเป็นภัยอันตรายหนักแน่นแก่จิตแก่ใจมากขึ้นสิ่งใดที่เราปล่ลอยวางไปได้ในจิตคล่งองสงสัยสิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยอันตรายหาทางที่พิจารณาละถอนหาทางพิจารณาแนะสอนจิตใจฟ้องตัวนี่คือคูอการพิจารณาปฏิบัติอักธรรมตายเหน พอมาพิจารณาใหนเป็นธรรมเส้นเป็นรูปสือยังนุ่มแน่นสวยงามในว่ารูปหยิ่งรูปชายจิตใจจะต้องติดข้องยินดูเพิดเชิญมีปกติจิตที่ยังไม่มีอาจมีธรรมทุกคนจะเป็นไปอย่างนั้นจะศึกษาตงเร็จปริญญาท่านไหนมาก็เป็นอย่างนั้น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 ของใจพอเห็นเข้ารูปนั้นจะยังหน่นสาวสดใสงดงามขนาดไหนท่านจะต้องพิจารณาไปถึงแบบรูปนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรจริงจริงมันเกิดมาเป็นสองเสวยงามหรือไม่หรือเป็นสองสกับกอย่างไรและภายในรูปมีอะไรอยู่ในนั้นเป็นที่ยืนดูพอใจหอมหวานชวนดมหรือไม่หรือเป็นของสด กรตกกระตีคืนอย่างไรก็ต้องที่นี้พิเจนาแยกแยะเข้าไปจนถึงความกิงข้องมันนอกจากนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนั้นยังไม่ชัดเจนเห็นจริงก็พิเจนารูปอันนั้นตือยาตาเถื่อนของรูปอันนั้นก่อนคือเขาเป็นหมุ่มเปนสาวเขาก็มีความสวยสดงดงามเหมือนกัน ต่อนานตีเขา้ารูปมันเปลี่ยน แ, แปลงแปรปรวนไปตามธรรมชาติถัดขันรูปนั้นนั้นตัวต้องมีความเส่หมอนรูปเหล่านั้นจะมีความไม่น่ายินดีไม่น่าเพละเพลิ น, นเห็นเขา้าก่อห น, น้าอิดหนาละอาใจหนีไม้ถึงความแปรเปลีนของโลกของรูปที่เราเห็นมาเนี้ยสอนจิตใจของเรามาให้นเพลิดเพลินลุ่มเหลงไป เสียงก็เมนกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีอัดมีทำแล้วจิตใจมันสม่ำเสมอเห็นเกิดเห็นตายเสมอกันเส้นโปกโปกและถสวยงานเสมอกันเพ ร, รรูปก็สับแตรูปเสียงก็สับแต่บาทเสียงจิตใจจะไปจิดข้องยึดถือยินดูเสี ย, ยใจในเรื่องเหล่านั้นมันหมดไปหายไป นี่คือใจมีอักมีธรรมความลุ่มหลงเพิดเพลินเห่เหิในวัตถุต่างๆจึงไม่มีในจิตในใจของผั่นคือมีอัตมีธรรมจรมิงจังเขาสมมติอย่างไรก็สูดไปตามเขาไม่ให้ขัดกับโลกแต่เพราะว่าใจของผั่นจะไปลุ่มหลงติดห้องเต่าหมองเพิดเพลินเป็นอันไนม่มีเนี่ยมันไม่มีอะไรมาลบลวนในกความรักความ แรงเกลียดต่างๆหยิตใจก็ตั้งมัน่นจิตใจต่อเ ย, ยือกเย็นจิตใจก็เห็นจริงความสุขความสบายเไม่มีอะไรมนาะต่อเกลยนเกี่ยว้องมันก็อสุขต่มสบายเงินเบี่ยงไฟแสงเทียงของเราถ้าหากลมมาเป่าแสงเทียง น, นั้นบางคือตลุกมีแสงจ้าบางคือตลีแสงไฟเพราะลมมาพัดมาเป่า จิตใจของเราก็เหมือนกันคนที่มีสัญญาอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นจะไม่มีความสุขใจมีแต่ทุกข์แต่เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายจงิงจังแต่นั้นทางพุทธศาสนาการอบรมภาวนาการศึกษาธรรมะผ่านจึงให้เป็นโอปะนียโกเหนน้องเข้ามาภายใน เน่สอนใจท่องเตล์ไม่เหตุหลุ่มหลงไม่เหตุเสดเพลินท่าอยากท้องใจหากเราไม่มีเบดเราไม่มีธรรมเป็นเสื่องวัดเสื่งกัน้นเสื่งห้ามเอาไว้จะไม่มีวันเวลาใดจะเพียงพอบริบูรณ์จิตกลางท้องโลกต่อทำนองเดียวกันไม่มีใครที่จะทำสำเร็จลุล่วงไปได้คนตายเสียเอาไปเผาไปสังหากมีสิ่งีิเศษ ไปปลกไปทําเขาเป็นคนคุณมาอีกสอบถามดูว่าจิตเทวน า, าทีของโลกเสร็จแล้วหรือถึงไปตายอย่างนี้เขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายังอันนั้นยังอันนี้คัามอยากท้องใจไม่มีวันจบวันขึ้นในเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของอัดทําภายในไม่เป็นอย่างนั้นนับวบันสั้นวันแคบเข้ามาจะว่าเปนเรื่องเห็นแก่ตัวก็ถู เหนแก่ตัวแต่มนเป็นที allora ่เป <chau> so, ็นใครแก่โลกตัวของเราต้องเห็นแก่ตัวของเราเสียก่อนมาเห็นแต่ตัวเสียก่อนจะไปเห็นคนอื่นเป็นของดีพิเกิดกว่าเราก็วยากที่จะต้องพึ่ปฏิบัติให้เป็นให้เห็นให้รู้ถ้าพุทธเจ้าหรือคืออาจารย์สาวกท่านต้องสอนท่านเสียก่อนเห็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องสำคัญตัวเรื่องของคนอื่นทั่วไป จะประเพฤติใจประพฤติใจเครงตัวให้ดีให้หมดลาชีกิเลเมื่อหมดได้เมื่อไรเราจึงจะช่วยคนอื่นสอนคนอื่นแนะคนอื่นพ ห, หากเราจะสอนคนอื่นแต่ตัวขอร่งตัวเองยังไม่รู้ไม่เห็นอาศัยตำลับตองลาของศาสนามาสอนมันจะเป็นผลเป็นประโยชน์ให้ตัวเองจะเสียวันเวลา คนอื่นคือไม่เกี่ยวข้องตลอดภยเสียใจเพราะตัวของตัวไน่รู้จริงเห็นจริงอะไรที่จะนำทำสอนผิดถูกต้องแน่นอนไราสอนเขาแต่นั้นตัวของเราจึงเป็นเรื่องสำคัญควรที่จะฝึกควรที่จะปฏิบัติในส่าใจในรู้เห็นในดีเด่น้นหมด สงสัยภายในใจของตัวว่าอะไรควรจะละจะบําเพ็ญต่อไปความเพลนอยู่ปัจจุบันจิต ใ, ใจของเราขัดช่องอะไรยังมีอะไรที่จะละจะบำเพ็ญอีกหากในรารจิตของตัวเองเห็นในความเพลนของตัวเองแล้ไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรจะไปก่อขวนความสงบสุขอันนั้น สามสงบสุขอันนั้นตมราทางศาสนะแผ่นจิงกา่าเอวะชนัติสันติพลังสุขขังสุขอูนยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบธรรมดาจากการภาวนาสมาธิก็มีความสงบแต่ถอดถอนออกจากความลงรลึกลุ่มนั้นจะต้องแปลส่ไป ต, ตามสัญญาอารมณ์อีกยังมีการ ทำกันบ่อยฝึกกันบ่อยนี่คือการปฏิบัติตัวในขั้นต้นแต่ก็ทําให้ศรัทธาเชื่อมัน่นว่าความสงบสุขมันดีพิเิดอย่างนี้มันมีรสชาตอย่างนี้โดยในมีคนไปบังคับบัญชาในภาวนาผ่าเพียงแต่ความเชื่อความเห็นความเป็นในใจเคยไปสบพบมาจากความสงบจากการภาวนา ยังอยากทาเองอยากเห็นอยากรู้มีความสงบเบื้องต้นแต่ความสงบที่ท่านเปล่าว่านั่ถที่ท่านติดพลังสุขขังความสงบนั้นไม่มีวันไม่มีเวลาไม่มีออกไม่มีเข้าไม่มีไปไม่มีมาแล้วความสงบเป็นอย่างไรมันก็เป็นปัญหาสําหรับใจคนที่หนูรู้ใหม่เห็นไม่ไปไม่มาไม่อยู่มันเป็นอะไร ความที่เห็นผิวก็มีทางสงสัยเพราะความเป็นความเห็นอย่างนั้นไม่อยู่ในเรงสมมุติไม่ต่อเกี่ยวกับสมมติไม่ต่อเกี่ยวกับโลกสงบทุกการทุกเวลาทุกระยะถึงตายลาจาจะทําอะไรส่วนความสงบความเป็นไปส่วนนั้นบริสุทธิ์อยู่ทุกระยะทุกการจะเข้าขีดหรือไม่เข้าขีดจะตายหาตายเหงา อย่างสามัญชนธรรมดาก็ไม่มีวันเรวลาที่จะเป็นอัปปะโมกข์สำหรับผู้คนนั้นอย่างพาะราหันพาะหยิหยะถูกืวอจนตายใ น, านกรน า, า, า, า, ากนนกรแสวงหาข่าวมาบวชเขาคิดไปจากตั้งแต่เชิญปัตตุริยนิพพานคือถ้าจิดบริสุทธิ์แล้วไปอยู่อิเลียบดใดความบริสุทนั้นไม่มีวัน ที่จะเศร้าหมองส่องใสไม่มีวันที่จะไปจะมาจะเสียจะหายตามความสมมติทั้งโลกนี่คือความบริสุทธิ์ภายในไม่มีการออกการเข่าการไปการมาการดยู่ไม่มีมกล้องวลัุษขัดประเภทไหนสมัยใดที่จะส่องรู้ได้ความละเอียดความเต็มไปทั้ง 10. จิตชนิดนั้นนอกจากตัวของตัวของนั้นจะประสบทบเห็น เข้าใจชัดเินในความบริสุทธิ์ทั้งตัวนี่คือความบริสุทธิ์ที่เรียกว่านัดสิสันติพลังสุขขังทุกคนมีสิดธิ์ที่จะปฏิบัติใน้รู้ให้เห็นให้เป็นจริงได้เพราะที่เหลือ ย, ยังมีนะักข้อปฏิบัติเพื่อจะละจะถอนก็ยังมีอยู่เมื่อถึงจุดจบของมันเป็นอย่างไรมันจะจบได้เพรเดินไม่หยุด จุดหมายปลายทางในตอนสงสัยจะต้องถึงที่ม่เดินอยากจะถึงในยินไม่ดืมอยากจะอิ่มในทํางานก็อยากจะให้งานเส็จนี่เป็นคิดเป็นใจสาคัญสําหรับโลกสําหรับธรรมดันั้นเราทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาจะทําบําเพ็ญอย่าทอดเท้าอย่าพล อ, อยอหลัง อิาพยายามทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าอย่าคิดเปตึงตึงไปเรื่องใหม่บังคับกายบังคับใจให้อยู่ในกรอบของธรรมนี้ในสอนใจของตัว อ, อยู่ทุกระยะใจจะมีคุณค่าใจจะมีสาระสำหรับตัวเองไม่เดิเหมาเด็กาวตู่ดีหนึ่งว่าตัวเครื่องตัวเป็นโมฆะเกิดมามีสาระอะไร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 ไปเรื่องต่างๆก็เป็นเรื่องทั้งขานแต่ทําบริสุทธิ์ในใจทั้งฐานถึงความบริสุทธิ์แล้วทั้งขานยังมีอยู่สัญญาอย่งมีอยู่เวทนาอย่งมีอยู่รูปอยังมีอยู่ยินญาอยังมีอยู่เพราะอันนี้เป็นขันในใ่กิเลส้าจิตไม่เป็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีกิเลสธาตุจิตไม่เป็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นปัญหา จิตจึงเป็นเรื่องสําคัญี่วนพวกเราท่านควรจะศึกษาควรจะพิจารณาให้เห็นโดยควนใหญ่เกิดมาจนกระทั่งวันตายในใจเห็นจิตตัวเองนั่นแหละจึงเป็นเรื่องสําคัญตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายแล้วจะไปอยู่อย่างไรเลยไม่ค่ะเพราะตัวเองไม่เห็นตัวของตัวตัวเองไม่เห็นจิตของตัวจะแต่ค่ะ ว, ว่าเราไม่จิด มีแต่ไมเห็นนั่นไม่เป็นประโยชน์ต้องให้เห็นเพราะเรื่องของจิตเป็นนามธรรมละเอียดปัญญาธรรมะถี่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นหนา้ามธรรมม้วนกันของละเอียดอย่างถึงกันดาส่วนกันดาต่จะเห็นโดยตาเนื้อธรรมดาหากล้องไปวิทยาศาสตร์มาดูไม่รู้ไม่เห็น จะไปซองที่ไหนไปหาที่ไหนจนปนประทังวันตายก็ไม่เห็นจะเทาเอเวอรอบัมเพลนด้านเทวนาคนผิดเคยสงสัยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างไรเขาเองจะเห็นจปนปัดจจตังตําหลักการประพฤตปฏิบัติฉะนั้นเราทุกท่านคือมุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติหรือนับถือพระพุทธศาสนาควรอาภาระจากการเกิดทังตัวให้ได้ อย่าปล่อยให้เป็นหมันตายไปเพื่อเปล่าหาสาระอะไรไม่ได้ควรสตมใจที่นิพพิจรารณานะถึงเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ให้ตั้งใจบำเพนเพียรที่นิพิจรารณานปัดเตาีิเลตปัญหาความคิดตึงสื่อไปในทางเชื่อทางเสียให้ตกออกไปจากจิตจา ก, จากใจนำธรรมะคํมสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นทาง ที่จะทําจิตให้สงบเย็นที่นี่ที่เจณาบาเพ็ญเลี่ยวไปคนนั้นแหละ <c oughs> ถึงโ ง, ง่ก็จะมีวันฉลาดถึงหลงก็จะมีวันดูถึงแพ่เพลินเมืมาเมาก็จะมีวันส่างเบาไปเพราะใจสัมผัสกับอัดทาอยู่สม่ําเสมอนี่เป็นเรื่องของทุกคนควรสนใจควรฝึกตัวของตัว เมื่อฝกได้ปฏิบัติได้เข้าใจถึงมันก็อไม่มีอะไรโลกเปิดเผยอยู่สม่ำเสมอไม่มีอะไรปิดบงังคือจะเป็นปัญหาต่อใจท่นจึงว่าอาโลเตอุภทภปาจิจสว่างเล่อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนสว่าง่าแต่ไหนแต่อะไรแต่อันหนาะใจมันเบื่อเลยเห็นแสงสว่างว่าอันนั้นนะ่ารักอันนั้นนะ่ายินดีอันนี้นะ่าเบียดนะ่าต่างตๆา ความคิดความปรุงความวุ่นความหลงข้งใจมันเป็นแบบนั้นเพราะใจย่อมไมเข้าถึงอัตธรรมถึงศึกษาถึงปฏิบัติจ่มีใครอื่นที่จะมาปฏิบัติแทนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเฉพาะตัวในว่าการกินการข่ายในว่าการหลับการนอนการประปฏิบัติคนอื่นจะมาช่วยเหลือเกี่ยนนู้น ในดีพิเศษในได้ต้องเป็นตัวของตัว เ, เองผันจึงว่าอัตตาหิอัตโนตตนาเถอเป็นแหลเป็นผี뚱สองตนในชาวคนอื่นจะมาเป็นผีงให้หนี่คือรมคือพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนกับพระศักดิ์คำว่าศักด์ก็คือผู้ข้องมนุษย์ก็เป็น ต, ตักดก็ยังข้องอยู่พืนพ้นที่ยังข้งอยู่ท่านเรียกว่ า, าักด์ จะเป็นชีวิตแบบมนุษย์เทวดาอินทรีย์ยนยักษ์ไม่ว่าหากจิดยังคล่องกิเลสตัญหาทขาเรียกว่าสัตทางศาสนาพอเราหากเขามาเรียกเราว่าสัตว์เราก็อาจโกดให้เขาก็ราเดี๋ยวดายเัาทราบว่าสัตว์เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจจริงจังและไม่ได้รบมาคำว่าสัตว์คือตัวแข็งเรายังแข็งอยู่เรายังไ ม, ม่หลดในน้นเราจึงเกิดเขา เกียดเขาปากเขาพูดเมถสกตามนิยมสมมติแต่ท่านคือบริสุทธิ์ภายในจิตในใจไม่เต็นอย่างนั้นถึงเขาจะพูดอะไรเสียงพูดขึ้นออกจากปากเขาก็หลุดปากออกมาเสียงมันก็ดับไปถ้านในจะเก็บเอาไว้ภายในใจของท่านท่าพุดใช้เจ้าจิตถูกเขากล่าวหาดาว่าต่างๆ ถ้าไทยทั้งท่านไม่เคยสอบหม่องไม่เคยเสียหายทรานเลยเจ็บเอาท้องเหน่าท้งเหม็นในเก็บเอาอะไภายในโลกรู้เห็นตามเป็นจริงก็รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเรสก็ดีสําผัสก็ดีหรืออามก็ดีหน้าที่ของมันเกิดแล้วก็แปลพวลงดับไปเสมอกันหมดไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกัน ว่าฝายดีเม่อว่าฝายชั่วอย่างทั้งเลกมันเป็นมาอย่างนี้ถ้าถ้าที่เราเลี้อยู่มันก็เป็นอย่างนี้ถ้งท้งที่เรารู้มันก็เกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่มีอะไรที่จะจิดบังนี่เพือจิตจิตที่เห็นต่างเป็นจริงจึงไม่มีปัญหาอะไรภายในใจทั้งถ่านปัจึงอยู่แบบสะดวกสบายแัจจึงเกี่ยวอย่างเหีย้ยงน้ํากับใบบื่ ถึงยู่ด้วยกันแต่ก็ไน่ติดเรื่อกันถึงเอานะ้ำไปเหยียบใส่มันก็เนี่ยซึมาบลงไปในใบบัวนี่จิตใจของพวกเราโดยเสื่มใจที่ยังไม่ศึกษาะม่ปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกระดาษทับกระดาษซูนก็บบกบบนถูกอะไรกระซูมเข้าไปดูดเข้าไปในว่าทางดีทางชั่ว มื่มันเป็นอย่างนั้นจึงควรปฏิบัติควรรักษาควรตั้งวรควรผูกประเัศปฏิบัติเบื้องต้นสืบเสนใจจะไปถึงนักถึงฝนต่อเป็นคนทาตาให้บอกหูให้บอกในติดตามสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดสืบเส้นใจก็ดีตาเห็น อย่าไปคิดตามเรื่องที่เห็นหรืได้ยินแต่อย่าคุณไปคิดนี่เชื่อไหมจะให้จิตได้รับความสงบเยอะก่อนมีกําลังทางสมาธิหนักแน่นมั่นคงยิ่ง่อยชื่อเจนาภายหลังเรื่องต่างๆที่เห็นที่ได้ยินจะเป็นบันไดทำจิตทำใจให้สูงขึ้นโดยสอนสอนให้สงบเหมือนเด็บ เด็กมาใหม่หยังไใหญ่โตทําการงานอะไรไม่ได้ต้องเหยีท้าต่อมเด็กคนใดนอนได้พักผ่อนได้ในรถเกลียนเขาชมว่าเด็กคนนั้นๆๆดีแตเมื่อโตตัวขึ้นมาควรแก่การแก่งงานแล้วถ้าไปนอนแบบนั้นยิ้มแลนอนไม่มีทำการทํางานอะไรพูดไป อ, อีกอย่างเหียดค้านไม่เอาฐานอะไรเด็กคนนี้ เหมือนกันทางศาสนาพัดสอนอย่างนั้นสอนจิตให้สงบเสียก่อนแต่เมื่อเตรียมแก่การจะที่นี้พิจารณารักถอนชี้เหลียด้วยปัญญาต้องทําอีกไม่ใช่ว่าจะให้สงบถ้าสงบยู่งถ่ายเยอะอย่างนั้นโดยในใช้ปัญญาทีนี้พิจารณาอะไรสันธิวาสมาชิหัวหลักหัวตตไม่เกิดปัญญาอะไรที่จะแก้ไขชี้เหลียดโดยเกิด ความดีอะไรถูกเป็นเรื่องลิสเซ่มีแต่หลดไม่ใส่นักสู้พยายามที่นิติเจนะพยายามสอนใจรายใจใจทั้งตนโอกาสเวลาของทุกคนที่เกิดม า, าก็ไม่เป็นของกีั ง, งอย่างยืนหรือเป็นของแหนนอนบางทียังเล็กยังเด็กยังเหนุนยังสาว ก็ลมหายใจไปเจ็บไข้ได้บางทีแก่เท่าจนก่อเกลื่อนไข้ลมตายก็มีมีนิดเครื่องหมายของความตายไม่เป็นของแน่นอนคือแน่นอนที่สุดก็คือลมหายใจเหนื่อออกไม่เข้าหรือเข้าไม่ออกจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจะตายเดียวกันทางนั้นสั้นๆเพียงลมหายใจออกหายใจเข้าแถวนั้นนี่คืออายุท้องเสีเรา ดังนั้นการประพฤตปฏิบัติเหนืออะไรภายนอกยังไม่เลยมีมาเกี่ยวข้องมีความสามารถที่จะประพฤตปฏิบัติได้ทางกายทางใจอย่างเจนเม็ตจนหน่วยเรื่อยเร่งขนไคายจะทำำําบําเพ็ญให้จิตของตนยอะเย็นเห็นธรรมควรจะแน่สอนตัวอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็จะปล่อยวันเวลาให้ตปนหมันเลื่อยไป คนที่สุดตัวเองก็ไม่ได้อะไรตายไปเ่างคนแบบนั้นคนลบศาสตรนาะโลกโลกไม่มีอะไรที่จะดียืดเสียให้พยายามสอนใจของตัวความเพียรคือสามีสติความเพียรคือความอดความ้นนี่เป็นความเพียร จิตปัญญาเป็นสังเลยขาดทำคือเป็นเรื่องกําจัดป่าเต่าจิเลศทำขาดการเพียน่นถึงจะเดินอยู่นั่งอยู่ทำขาดคือกิเลสเหมือนโตอ่าทํ า, วาทความเพียน่นแต่มันเป็นแจกกายใจไม่เป็นให้เจึนจุดสาถึ ง, ถงนพิจารณาจึงถูกอารมกับกลาเนยเียนแต่เคลื่อนเพีย่จะออกพรรษาแล้ว ในคืนวันก็จะออกพรรษากันามาเป็นมาในพรรษาตลอดออกพรรษามีอะไรเป็นคุณค่าสําหรับใจผมชวนจะสอบสืบคุณนิพพยานาตัวเองแต่ความพียนออกพรรษากิเลสมันไม่ได้ออกไปเรืยนะมันมีอยู่อย่างไรเป็นเชงเส้นเ ง, งวายอยู่อย่างนั้นในพรรษาหรือน อ, อกพรรษาก็ไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันสําหรับ การประพฤติปฏิบัติสำหรับจิตใจจริงๆนั้นชอบจริง่มันให้ชอบมีอยู่อย่างไรนัก็คงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นถ้าหากเราไม่ทละสาสางเดือดจิปัญญาไม่มีการภาวนาทำร้ายใจจึงควรสอนตัวนั้งเตือเรื่อยไปประพฤปฏิบัติเรื่อยไปใจที่มีอาจมีมธรรมมีความเบิกบานยินงแยมแยมใสภ า, ายใน ให้เขาใจเห็นไม่เห็นนั่นเป็นเรื่องของเขาเราเป็นอยู่อย่างไรเราฟามากที่จะทราบได้จากตัวของเราเองจนอื่นเก็จะเอาประการนิยบัตมาปิตให้เขาจะโฆษณาให้นั่นเป็นเรื่องของเขาหใจของเราไม่เต็มไม่เห็นไม่รู้จะโฆษณาจนปากฉีกมันก็ไม่เต็มจต็มเต็มประโยชน์อะไรถ้ามันดีที่สุดจะตั้งนิ จนปากมันฉีกน <ừ. S 1> ้องคนไหนเห็นเสหายอะไรไหนที่เจน้าให้ถึงแก่องความคริงแล้วจะไม่มีการบั่นไหวไม่มีการเส้ยใจแห่ตัวเองก็เกิดมาเป็นโมฆะใจยางประพฤติปฏิบัติสึกหัดเริ่มเตือนของตัวจิตดีจิตมีความสุกทุกสิ่งทุกอย่างต้งสุไปตาม เห็นส hmm. ิ่ง yeah. ี่านเจนเด่นจนชับเกิดคามเมตืตาสงสารในมีความกัวสะดึในสิ่งเกี่ยไปในว่าใัยอันตรายจากอะไรก้อยใจสงบก้อยใจเห็นใจรู้พยายามฝึกพยายามอบรมหน่ยสี่ต้องศาสนา ส อ, ức, อ ส, สอนทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรนทิตนักเบื่อหรือชาวว่าหญิงชายศึกษาได้ทําได้คนถืกทําตามเรื่องของศาสนาเป็นคาทิสุสามเณรตัวดีเป็นชาว่าก็ดีสะอาดประพฤติตามคำนองกองพัน ท, ที่ขันแนสอนมีทวามสุกความส บ, บายในทะเลาะเบาแรก ไม่ผิดเสียงกันพอใจรู้อดเขนธรรมพอใจสงบโลกก็เลยสงบใจปั่นเปลเ่วนเรรือเดือดร้อนก็อยู่กับฐานคือใดเห็นอะไรก็เดือดร้อนเขาพูดดีๆสดๆเขาเขามาดีๆก็ผิดใจตัวนี่คือใจมันเชื่อใจมันเสีย ใจมันไม่ดีใจมันไม่มีอกักเมื่อควาไม่มีเหตุไม่ีผลมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงพ า, าาพากันพยายามศึกษาพากันภาวนาหาความดีให้ด้เขราะทุกคนในสิทธิจะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นเรารักเราต่อประพฤติปฏิบัติตัวของเราศึกษาธรรนะ ใยวายายใจของตัวทุกคนสนใจต่างหน้าทำตามเอวหวัดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนต่างสต่างคนแต่แต่รับความสงบสุขการอธิบายธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรเสียเวลาไว้ิจเพียงแคนี้